หมวดที่สิบเอ็ดภิกษุทั้งหลายตัชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยและระงับดีคือ 1. ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลง 2. ลงโดยชอบธรรม 3. ส, สงพร้อมเพรียงกันลง